ยี่สิบสามละวันนี้วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันหะ้าะวันนี้คณะครูบาอาจารย์ผอสพปเขต4คือจังหวัดอุดรขอเรามีอยู่4เขตแต่เขตของเราเป็นเขตที่4มีอยู่สี่อำเภออำเภอบ้านผือ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 คำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลอย่างไรทางเราวิเคราะห์ออกมาแล้วหลักเหตุผลของพระพุทธศาสนาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอันนี้หละคือหลักเหตุผลคือไม่ผิดพลาดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองถ้าใครตอบว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามหนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าแปลว่าผิดเดินผิดที่ผิดทางถ้า1ึงบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็น8คือหลักเหตุผลบวกไปเรื่อยๆถูกไปเรื่อย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 ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าใช้ทำคําสอนของท่านประกาศเผยแพ่ออกมาโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถึงสองพันกว่าปีนำมาคิดตูก็ยังใช่อยู่แต่ไอายสตรายความคิดของเขาคิดเพื่อสังหารทําไมเขาคิดปรามนอสังหารเห็นไหมจิบหายวายปวงเลยไปย่อนลงที่ญี่ปุ่นสงครามโวกครั้งที่สอง